hmm สวดพระพุงหรือพุทธชัยมงคลคาถาอันนี้เราเนื่องสวดเพราะเชื่อว่าจะทําให้เกิดสิริมงคล น, นะแก่ผู้สวดหรือว่าแก่สถานที่รวมทั้งแก่ผู้ฟังด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชัยชนะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ชนะด้วยอาวุธแต่ว่าชนะด้วยธรรมะชนะทั้ง สเดรัจานนะทั้งมนุษย์นะซึ่งมีทั้งผู้ร้ายนะฆาตากรเช่นพระองคุลีมานอาเช่นองคุลีมานหรือว่าผู้ที่ใส่ร้ายนะรวมตลอดไปถึงอมนุษย์ยเช่นยักษ์มารไปจนถึงพญายนาครวมทั้ง พรหมเนี่ยนะซึ่งมีอนุภาพมากอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่มีกล่าวไว้ในพุทธประวัติแต่ถ้าเราดูดีๆมันอาจจะเป็นธรรมาที่สถานก็ได้ธรรมาที่สถานในที่นี้ก็หมายถึงว่านะเรื่องราวที่เป็นตัวแทนของธรรมะ จะว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรมก็ได้เป็นชัยชนะของธรรมะที่มีต่ออธรรมแต่ว่าถ้าจะพูดให้กว้างกันนั้นนะก็คือเป็นการต่อสู้นะระหว่างความรู้ความตื่นความเบิกบานกับความหลงพุทธาหรือพุโทโธนี่ก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามองให้เป็น ธรรมอาทิศสถานนะก็คือภาวะแห่งการรู้นะหรือว่าวง่ายคือตัวรู้นั่นแหละนะเป็นการต่อสู้ระหว่างรู้กับหลงนะซึ่งจบลงด้วยชัยชนะนะของตัวรู้นะทั้งทั้งสัตว์เดราฉานทั้งผู้ร้ายนะ ฆตกรหรือผู้ที่จ้องทำร้ายพระองค์หรือพวกเดรธีนะที่ไพ่แพ้ต่อพุทธเจ้าเนี่ยนะจะว่าไปก็เป็นตัวแทนของตัวหลงนะหลงถูกครอบงําด้วยโทสะนะถูกครอบงำด้วยความพยาบาทถูกครอบงำด้วยมิจฉาทิฐินะอันนี้ก็แล้วแต่ เป็นตัวแทนของความหลงชัยชนะของพระพุทธเจ้านะก็เป็นชัยชนะของความรู้นะที่มีต่อความหลงแล้วก็ไม่ควรจะเป็นชัยชนะของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะควรจะเป็นชัยชนะของเราด้วยในใจเราเนี่ยมันก็มีการต่อสู้กันนะระหว่างรู้กับหลงมันไม่ใช่แค่มีการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอาธรรมท่านั้น แต่เป็นการต่อสู้ระหว่างตัวรู้กับตัวหลงชีวิตเราเนี่ยนะไอ้ตัวหลงเนี่ยมันก็พยายามเข้ามาครอบงำพยายามเข้ามาควบคุมชีวิตของเราให้เป็นไปเพื่อไปสู่ความหลงแล้วก็หลงยิ่งขึ้นหลงนี่มันมีสองอย่างนะหลงคืออย่างแรกคือไม่รู้ตัว และหลงอย่างที่สองคือว่าไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ความจริงของโลกบางทีเราก็เรียกอ ว, วิชชานะหรือโมหะคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่หลงเสียแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขนะไม่ทุกข์หรอกแต่พราะหลงนั่นแหลนะจึงมีความทุกข์เกิดขึ้น ทุกันนี่ในที่นี้หมายถึงทุกใจนะไอ้ทุกกายนี่มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเกิดมาก็ต้องเจอกับความแก่ความแก่นี่มันเกิดขึ้นทันทีนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นเด็กทารกอายุแค่วันเดียวก็ถือว่าแก่แล้วแก่กว่าเด็กที่อยู่ในท้องนะอายุ1ปีก็แก่เป็นกันนะแก่กว่าทารก2เดือน นอกจากความแก่แล้วก็ความเจ็บความป่วยนะระหว่างที่ยังไม่แก่มากนะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็เจอกับความทุกข์กายเช่นปวดเมื่อยหิวร้อนปวดท้องต้องการถ่ายหนักถ่ายเบานะี่อันนี้ก็คือทุกข์กายนะที่หนีไม่พ้นหรอกยุงกัดก็คันมแมลงต่อยก็เจ็บ ทุกกายนีไม่พ้นแต่ว่าทุกใจเนี่ยสามารถจะอยู่เหนือมันได้แต่ที่คเายังทุกใจก็เพราะไอ้ตัวหลงนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอวิชชานะเอาแค่ว่าไม่รู้ตัวก็พอไอ้การไม่รู้ความจริงอันนี้เนี่ยกว่าจะขุดลากถอนคนอวิชชาได้ก็ใช้เวลาแต่ว่าสิ่งที่เรา พบเห็นได้เป็นประจําก็คือความไม่รู้ตัวนี่แหละพอไม่รู้ตัวเมื่อไหร่พอลืมตัวเมื่อไหร่นะกิเลสมันก็เข้ามาครอมงมจิตใจทันทีจะเป็นความโลภก็ดีเป็นความโกรธก็ดีนะแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์คนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเศร้าเสียใจโกรธแค้นวิตกกังวลกระว น, กระ ว, นกระวาย มันก็แ ล, แล้วแต่เกิดขึ้นในยามที่เราหลงในยามที่ไม่รู้ตัวลองสังเกต ด, ดูดีๆนะถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะมันไม่ทุกข์หรอกอาจจะทุกข์กายเพราะปวดเพราะเมื่อยอย่างเนั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าเรามีความรู้สึกตัวไม่เผลอคิดไปถึงอดีตนะไม่เผลอนึกถึงอนาคต ไม่เอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วเก็บเอามาคิดขณะที่อยู่บนหอไต่นะี่ยยัไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานการลูกหลานหนี้สินที่ยังค้างชําระถ้าหาว่าใจไม่คิดถึงมันเนี่ยมันจะทุกข์ได้ยังไงมันจะมีความวิตกกังวลกระวลกวายได้ยังไงมันจะมีความเศร้ามีความเสียใจได้ยังไง จนเป็นแค่เรามีความรู้สึกตัวไอ้ความทุกข์มันก็เข้ามาเล่นงานไม่ได้กิเลสตัณหามันก็ไม่มีโอกาสพวกนี้มันมาตอนเราเผลอนะเผลอก็คือหลงนั่นเองเพราะว่าเผลอก็คือลืมตัวนั่นเองถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำอะไรมันก็ทำได้ถูกต้องสิ่งที่ทำ นะมันก็เป็นกุศลแต่ถ้าเราลืมตัวเมื่อไหร่ถ้าเราหลงเมื่อไหร่แม้แต่ทําบุญมันก็กลายเป็นหลงบุญไปได้แม้แต่เวลาทําทานมันก็เป็นการทําทานที่เจือด้วยกิเลสนะแทนที่จะให้ทานเพื่อสละก็กลายเป็นให้ทานเพื่ออยากจะเอา อยากจะได้รางวัลอยากจะได้ผลตอบแทนนะเป็นการเพิ่มพูนนะกิเลสมากขึ้นและให้ทาแบบนี้เนี่ยนะมันก็ลงเอยด้วยความทุกข์ความไม่พอใจผิดหวังบ้างนะโกรธบ้างนะที่ไม่เป็นดั่งใจบางคนทำบุญมากๆนะทำบุญเยอะๆนะแต่ว่าพอเจ็บพอป่วยว่าเป็นมะเร็งก็โมโหโกรธาตัดพ้อต่อว่า ทำไมทำบุญแล้วจึงต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกับว่าไอ้ความเจ็บความป่วยนี่มันเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ไม่ทำบุญนะเฉพาะคนที่ทำชั่วแม่คนทําดีก็เจ็บก็ป่วยได้แม้แต่พระอาหารหันต์แม้แต่พระเจ้าก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยมันเป็นธรรมดานะอันนี้ที่ทุกเนี่ยก็เพราะว่าทำบุญด้วยความหลง ไปคาดหวังสิ่งที่มันไม่ตรงกับความจริงหรือว่าสวนทางความจริงความจริงคือเอาคนเราต้องเจ็บต้องป่วยนะต้องสูญเสียต้องพัดพรากมันก็ต้องมีความสูญเสียเป็นธรรมดาไม่ว่าจะทําบุญมากมายแค่ไหนเสียคนรักเสียพ่อเสียแม่บางทีก็เสียลูกเพราะนี่คือธรรมดาโลกทําดีก็ยังมีคนดินทาว่าร้ายนะ ขณะผู้ติดเจ้าเนี่ยก็ยังมีคนว่าร้ายนะว่าไปทำข้าท้องหรือว่าใส่ร้ายว่าไปฆ่าผู้หญิงตายอันนี้มันธรรมดาโลกที่ถ้าทำบุญเนี่ยถ้าทำด้วยความหลงเนี่ยมันก็คิดว่าทำแล้วจะต้องไม่เกิดเรื่องแบบนี้กับตัวทาแล้วแต่จะมีแต่ชีวิตที่ลาบลื่นเลยด้วยกีบกุลา อันนี้พุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดหรือนะแล้วเราก็ไม่ได้สวดอยู่เป็นประจำหรือว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วไอ้ความทุกข์ที่เป็นเบื้องหน้าก็คืออะไรคือประสบกับสิ่งที่ไม่รักเจนความเจ็บป่วยประสบแล้วก็พัดพลาดจากสิ่งที่รักสิ่งที่รักคืออะไรนะก็ คนรักหรือว่าทรัพย์สมบัติของรักของห่วงนีทุกคนแหละนะมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอันท่าไปคิดว่าโอ๊ยอฉันทําบุญให้ทารักษาศีลชีวิตฉันจะราบลื่นสะดวกโยทินนะไม่รู้จักคําว่าพัดพรากสูญเสียไม่รู้จักคําว่าเจ็บป่วยอันนี้ก็แสดงว่าหลงแล้วนะและพอหลงแล้วเนี่ยนะความทุกข์มันก็เกิดขึ้น ถ้าไม่ทุกเดี๋ยวนี้ก็ทุกวันหน้ารักษาศีลก็แม่งเงินรักษาศีลถ้าไม่ดูแลจิตใจให้ดีความหลงมันก็เข้ามาครอบงำรักษาศีลหรือว่ามีศีลอย่างคนหลงก็มีหลงว่าฉันเป็นคนดีหลงว่าฉันเป็นคนมีศีล น, นะแต่บางที่จิตใจก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ไอ้ความหลงนี่มัน เป็นนักช่วยโอกาสนะเป็นนักช่วยโอกาสมันช่วยโอกาสที่จะมาครอบงำเราทุกเวลาไม่ใช่เริ่มตั้งแต่เวลาตื่นนอนที่จริงมันช่วยโอกาสตั้งแต่เวลาหลับแล้วนะพอเราก็ฝันไอ้สิ่งที่ฝันนี่มันก็หลงทั้งนั้นแหละมันปรุงแต่งเต็มที่เลยนะเพราะว่าตอนนั้นภาวะรู้เนี่ย หรือว่าตัวรู้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเลือกมีแรงเท่าไหร่สิ่งที่เราฝันนี่มันก็ฝันด้วยความหลงทั้งนั้นแหละจริงๆอาการฝันนี่มันก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งอยู่แล้วคือมันปรุงแต่งโดยไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวมันก็ไม่ฝันหรอกนะไอ้ที่ไม่รู้ตัวนี่แหละถึงฝันแล้วก็ฝันในเรื่องที่สะท้อนหรือกระตุ้น โลภะโทสะโมหะทั้งนั้นพอตื่นขึ้นมานะไม่ว่าจะทำอะไรเริ่มตั้งแต่อาบน้ำหรือล้างหน้าถูฟันความหลงก็ฉวยโกาศเข้ามาคลองจิตคลองใจล้วแล้วก็คือถูฟันไปแต่ใจก็ลอยเนะี่ลืมตัวไม่รู้ตัวเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วนะกินข้าวก็หลงนะ แม้แต่มาทำวัดนะบางทีก็มันก็โชว์โอกาสนะขนาดมาทำวัดแท้ๆสวดมนต์เรื่องผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสาธยายเรื่องปัญญาที่รู้ธทำเห็นความจริงของชีวิตบางทีสวดเรื่องสติปัฏฐานด้วยนะสวดเรื่องนะการมีความเพียเพรเผากิเลสนะมีสัมปชัญญะมีสติ ในสวนเรื่องความรู้ตัวแท้แต่ว่าใจลอยนะใจลอยเนี่ยไอความหลงนี่มันเป็นนักชโชว์อกาสนะที่เก่งมากทีเดียวนะแม้แต่มาทำวัดสวดมนต์เรามาทำวัดสวดมนต์ก็เพื่อจะเพิ่มตัวรู้ให้เอาชนะตัวหลงนะแต่ตัวหลงมันก็เข้ามานะจู่โจมเล่นงานจิตใจเรานะตัวรู้นี่ กดหายไปเลยเวลาฟังธรรมเออแทนที่จะเพิ่มกําลังให้กับตัวรู้มันก็หลงอีกนะตัวหลมก็มาโชว์โอกาสพาใจของเราให้ให้หลงให้ลืมใจลอยไปไหนไม่รู้นะระหว่างที่ฟังธรรมเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินตรงกลมเราทาเพื่ออะไรนะกเ็เพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นสร้างความรู้สึกตัวให้มากขึ้นแต่ตัวหลงนี่มันก็ยังมาโชว์โอกาสนะ ยกมือไปแต่ใจก็หลงลอยไม่รู้ไปไหนถ้าไม่ไหลไปอดีตก็ลอยไปนาคตหลงเนี่ยนะกับไหลและลอยเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันหลงเมื่อไหร่ก็ไหลไปเมื่อนั้นแหละไหลออกไปนอกตัวแล้วจากปัจจุบันลอยไปอดีตลอยไปนาคตขนาดสร้างจังหวะแท้ๆเจริญสติแท้ๆเพื่อสร้างตัวรู้เนี่ยตัวหลมก็ยังมาเล่นงานเลยณับภาษาเลยกับเวลาที่ไม่ปฏิบัตินะเวลาที่ไม่เจริญสติ นะเขีนเวลาพูดคุยเวลากินข้าวเวลาดูโทรทัศน์ฟังเพลงเนะี่ยมันก็ิ่งหลงเข้าไปใหญ่วันวันหนึ่งนี่ตัวหลงมันเอาเราไปนี่เล่นงานเราไม่รู้กี่ชั่วโมงนะวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงไอตอนหลับไปเจ็ดปดชั่วโมงนี่ก็หลงเต็มที่อยู่แล้วนะตื่นมาสิบหกชั่วโมงรู้จริงๆเนี่ยมันกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ ไอ้ที่เหลือนี่หลงทั้งนั้นจริงอยู่นะถึงแม้ว่าในช่วงที่เราหลงอาจจะไม่ได้ทําชั่วนะอย่างเช่นเวลาเรานอนเนี่ยนะนอนหลับมันก็หลงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําชั่วไม่ได้ผิดศีลแต่ถึงแม้จะทําดีจะรักษาศีลให้ทานนั้นก็ จ, จะทําด้วยอํานาจของความหลงก็ได้นะหลงบุญหลงศีลนะไปคิดว่าฉันนี่วิเศษนะฉันถือศีล8ดนะ ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีธรรมะนี่ฉันเป็นผู้ฝ่บุญอันนี้ก็หลงนะมันคือความลืมตัวกิเลสครอมงำนะก็เรียกหลงตัวลืมตนเกิดมานะมกเกิดมานะทิฐิขึ้นมามันชโชวโอกาสทุกเวลานะในความหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเป็นผู้ฝ่ธรรมจริงๆนะ ต้องการที่จะสร้างตัวรู้ให้มีชัยชนะเหนือตัวหลงเนี่ยเราต้องเป็นผู้ฉวยโอกาสเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปทีหนึงแล้วว่าหลวงพ่อมเกลงเคยพูว่านักปฏิบัติทำนักภาวนาเนี่ยต้องเป็นนักเฉลยโอกาสนะ่ะฉลยโอกาสปฏิบัติเฉลียวการเจริญสติในทุกเวลานะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาอาบน้ําถูฟันล้างหน้ากินข้าวก็ให้มีสติทําอะไรก็ นะทำด้วยใจที่มันตื่นทำไมต้องเฉลียอกาสเพราะถ้าไม่เวถ้าเราไม่เฉลียอกาศให้ฝ่ายตัวรู้ไอตัวหลงเนี่ยมันก็จะเล่นงานเราทันทีเพราะมันเฉลียอกาศเก่งกว่าเราตัวหลงหรือตัวกิเลสนี่มันเป็นนักฉลียอกาศที่เก่งมากนะแม้กระทั่งมาวัดเนี่ยก็อาจจะมาด้วยความหลงหรือว่าทำอะไรด้วยความหลงก็ได้ แม้แต่ปฏิบัติธรรมก็อาจาจะจิตใจก็เจอด้วยกิเลสเจอด้วยทิฏฐิมานะก็ได้เช่นมีความหลงติดว่าเนี่ยวิธีปฏิบัตินะของชั้นสำนักของชั้นวัดของชั้นนะมันประเสริฐแล้วนะวัดอื่นสำนักอื่นนะไม่ดีเท่าสำนักของชั้นหรือว่าการปฏิบัติสายอื่นไม่ดีเท่ากับสายของชั้นหรือแม้กระทั่งาศาสนาอื่น ไม่ดีท่าศาสนาของฉันนะมันเกิดความหลงตัวลืมตนขึ้นมานะอันนี้ก็เรียอ ม, มานะเนี่นี่ก็คือความหลงอีกอย่างหนึ่งดังในแต่ละวันนะในชีวิตของเราในการกระทําแต่ละอย่างนี่ในความหลงนะมันเข้ามาครอบงํานะมีโอกาสที่จะครอบงําได้ทั้งนั้นั้นถ้าเราปล่อยไปไม่ทําอะไรเลยนะไม่รู้จกักเฉลยโอกาสให้กับตัวรู้บ้างเนะี่ยไอ้ตัวหลมก็ฉลยวโอกาสนพาเรา จนกระทั่งถึงเวลาตายก็ไปอบายไม่หรือไม่ก็หลงอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละเพราะนั้นก็หมั่นสร้างนะหมั่นสร้างตัวรู้ไว้เ่วโอกาสสร้างตัวรู้นะทุกเวลาทุกนาทีไม่ว่าทําอะไรจะเป็นการทํามาหากินอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ต้องเ่วโอกาสสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นทําด้วยความรู้สึกตัวยิ่งมาวัดแล้วนี่ยิ่งต้องใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้น เพราะว่าตัวหลวงนี่มันก็คอยช่วยโอกาสมันไม่สนหรอกมันไม่กลัวหรอกนะจะมาวัดหรือจะมาปฏิบัติธรรมหรือว่าจะมาทำวัดสดมนต์ฟังธรรมมันพร้อมจะเข้ามาช่วยโอกาสเล่นงานเราได้ทั้งนั้นช่วยโอกาสครอบครองจิตใจนี่ถ้าเกิดว่าเราสร้างตัวรู้มากขึ้นนะการทำอะไรก็จะทําได้ถูกต้องจิตใจก็ผ่องใสแต่ก่อนเนี่ย ใหม่ๆเนี่ยมันก็เราก็รู้ตัวแต่ละขณะแต่ละขณะนะเหมือนกับเราเดินจากกุฏินะมาที่หอไตรเนี่ยเมื่อชา้าเนี่ยนะมันมืดสนิทเลยนะแต่ว่าเราเดินมาถึงที่นี่ได้เพราะอะไรนะเพราะเรามีไฟฉายนะไฟฉายเนี่ยนะก็ส่องให้เราเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเวลาเราใช้ไฟฉายเนี่ยเราก็ใช้ไฟฉายสองทางข้างหน้าเรานะไม่ไกลเท่าไหร่ เราไม่เอาไฟฉายส่องมาที่ศาลาระาเร า, เร า, เาไฟฉายส่องทางแล้วก็ส่องทางให้เห็นทางเนี่ยก็ประมาณสัก3ามี่เก้าแล้วก็เดินทีละ9้าทีละ9ไฟฉายมันไม่ไส่องไกลนะมันส่องแค่9ก้สองเข้างนาแล้วเราก็เดินแต่เพราะเรามีเพราะเราส่องอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถจะเดินมาถึงหอไตรได้ ในตอเดียวกันถ้าเรามีความสึกตัวมีความสึกตัวแต่ละขนาดแต่ละขนาแต่ละขณะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตสามารถจะเดินจนถึงจุดหมายที่เราต้องการได้แม้ว่าทางมันจะมืดแต่ว่าเราก็ส่องทางให้เห็นทีละก้าวทีละก้าวทีละ2อก้าวเราก็เดินถึงหัวใจถึงจุดหมายจุดหมายจะเป็นอะไรก็ได้ ที่เป็นกุศลนะเช่นความสําเร็จในการงานหรือว่าชีวิตที่โปรง่งใสโปร่งเบาเป็นอิสระอันนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวเนี่ยนะมันพาเรามาสู่จุดหมายแต่ว่ามันมีสิ่งที่เรานะสิ่งที่การปฏิบัติจะช่วยเราได้มากกว่านนะั้นคือว่าเมื่อเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้ตัวจนกระทั่ง เกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตนะเห็นศัตธรรมความจริงของโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันสว่างขึ้นทั้งโลกเลยก็คือเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเราเห็นหอไตรเห็นป่าที่มันสว่างมันสว่างไปหมดนะมันไม่ใช่แค่สว่างเฉพาะทางที่เราใช้ไฟสายสองใช้ไฟฉายสองข้างหน้า เหมือนกับผ้าที่ขึ้นพอถึงเวลาเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างมันสว่างไปหมดเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเห็นหอไตเห็นสาราน้ำนะเห็นสระเห็นกุฏิอันนี้เปรียบได้กับการเห็นความจริงของชีวิตนะถ้าเราพ้นจากความหลงคือความไม่รู้ในความจริงของชีวิตเนี่ย เราก็จะเห็นโลกเห็นทุกอย่างสว่างสวยัยนะเหมือนกับว่าความมืดมันหายไปมันมีนะความสว่างมาแทนที่กลางคืนมันรับไปละเหลือแต่เกิดขึ้นแต่ความสว่างเพราะว่าถึงเวลาเช้านี่มันเป็นความต่างกันนะระหว่างความรู้ตัวกับการรู้ความจริงของชีวิตรู้ตัวก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมืดหมด แต่ว่าเราเดินมาถูกทางเพราะว่ามีไฟฉายส่องไฟฉายก็ส่องมาทีละก้าทีละเก้าให้เราเดินไปข้างหน้าแต่เพราะว่าไฟฉายมันไม่ดับนะเราก็เดินมาจนถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าหากว่าเราเกิดเพราะว่าที่รู้แจ้งเ <laughs> ห็นจริงในความจริงของชีวิตคราวนี้ไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้วเพราะว่าทางเนี่ยมันสว่างหมด เนื่องจากเป็นเวลาเช้าเราก็สามารถจะเดินถึงหอไตนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฉายเพราะมันเช้าแล้วตอนนี้พวกเรานะส่วนใหญ่ก็ยังนะไม่ถึงภาวะเช่นนั้นมันยังรู้สึกว่ามืดนะยังมืดนะเหมือนกับอยู่ในนะยามค่ำคืนแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเดินถูกทางไม่หลงป่านะไม่ตกน้าไม่ตกสะพานเพราะเรามีไฟฉาย นั่นคือมีความรู้สึกตัวในแต่ละขณะแต่ละขณะก็ทําให้อยู่รอดปลอดภัยได้แม้ว่ารอบตัวมันยังมืดที่มันมืดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเวล า, ลาคืนนะแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่เห็นแจ้งในความจริงของชีวิ ต, ตถ้าเห็นแจ้งพอจริงของชีวิตอะไรเนี่ยมันก็เหมือนว่าสว่างไปหมดนะไม่มีภาวะดํามืดหรือว่าเป็นปิิสนาอีกต่อไปถ้ายังไม่เห็นแจ้งยังมีอวิชชาอยู่ก็ยังสงสัยนะสงสัยเพราะว่ารอบตัวมันมืดไปหมด ไม่รู้ว่ารอบตัวเรานี่มันมีสัตว์ร้ายมันมีผีหรือเปล่าเนะี่ยนพยายามสร้างนะความรู้ตัวให้เกิดมีขึ้นใช้ได้แต่ความรู้ตัวแต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละนะมันก็จะทำให้เราได้เห็นความจริงนะของกายและของใจในที่สุดพอเมื่อเรามีความรู้สึกตัวสติของเรานี่นะมันจะทำงานได้ดีขึ้น สตินี้เขาก็เปลี่ยนเหมือนตาในนะตาในที่เอาไว้ใช้ไม่ใช่ดูสิ่งนอกตัวนะแต่ว่าดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจโดยเฉพาะกับใจนะถ้าไม่มีสตินะมันก็เปิดช่องให้ความหลงเข้ามาครอบงำใจแล้วความรู้สึกตัวก็จะหายไป แต่พอมีความพอมีสติขึ้นพอมันมีความหลงขึ้นมาเห็นความหลงเมื่อไหร่ความหลงก็หายไปความหลงมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็มาเป็นแบบฝึกหัดให้สติได้ทํางานไวขึ้นตอนหลงเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะแต่พอเรารู้ว่าหลงเมื่อไหร่เนี่ยอ้าวความหลงก็หายไปหลงว่ารู้นี่มันไม่ดีนะแต่ถ้ารู้ว่าหลงเนี่ยนะ มันดีนะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวรู้ให้มากขึ้นได้รั่วหลงร่วหลงบ่อยๆนะรว่าโกรธบ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็จะมาหลอกเราได้ยากมาครอบงาใจเราได้ยากเพราะว่าเราฉลาดแล้วเรารู้ทันมันมากขึ้นหลงทีไรรู้ทุกทีมันก็อยู่ได้ไม่นานโกรธทีไรรู้ทุกทีมันก็อยู่ได้ไม่นาน ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ทางหรือจับทางมันได้เท่านั้นนะแต่ว่าได้เห็นความจริงนะจากความหลงให้ความหลงมันก็สอนธรรมได้นะมันก็สอนเรื่องไตรักนี่แหละมันสามารถสอนเรื่องไตรักได้นะเพราะว่าความหลงมันก็ไม่เที่ยงความหลงมันก็เสื่อมต้องดับไปคือเป็นทุกข์นะแล้วความหลงมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน มันก็เหมือนความมืดนะความมืดเนี่ยนะมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างเช่นพระาทิตย์ไม่ขึ้นมันก็มืดพระาทิตย์มันอยู่คนละคนอีกอีกด้านหนึ่งของโลกมันก็มืดนะมันไม่เช่าอยู่ดีๆมันจะมืดเองมันมืดก็เพราะว่าภาทิตย์เนี่ยมันอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกพอพระาทิตย์เนี่ยค่อยๆขึ้นมามันก็สว่างความมืดมันก็มีเหตุมีปัจจัยพอเหตุปัจจัยดับนะมันก็หายไป แลเหตุปัจจัยความหลงนะแล้วเกิดจากการที่ไม่มีส ต, ติไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยพอมีส ต, ติมีความรู้สึกตัวมันก็ดับไปพอเราเห็นอย่างนี้มากขึ้นเราก็เข้าใจนะเรื่องสัจธรรมความจริงของชีวิตเรื่องไตรลักษณปัญญาก็เกิดนะความหลงที่เรื่ออ ว, วิชาก็หายไปแต่แตาใดที่ยังมันยังมีอยู่นะอวิชานี่ยหรือความหลงไม่เห็นความจริงของชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีความทุกข์อยู่ร่ําไปนะก็พยายามนะ สร้างความรู้สึกตัวให้มากขึ้นแม้จะเป็นความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขนาแต่ละขนาดพอที่จะมองให้เห็นแค่ทางเดินทีละก้าวทีละก้าวนะแต่พอถึงจุดหนึ่งนะมันก็เหมือนกับว่ามันสว่างนะความมืดหรือว่ากลางค่ํากลางคืนหายไปเช้ามาแทนที่มันก็สว่างไปหมดนะโลกสว่างนะเพราะดวงอาทิตย์ ยามเช้าชันใดนะอสาประสิงมันก็สว่างเก่ดใจเรานี่ก็เพราะว่ามีปัญญาที่สามารถขุดรากถอนคนอวิชชาได้อะละก็ชานี้ก็พูดกันเท่านี้นะ